การปฏิบัติพระพุทธศาสนากล่าวโดยย่อก็เพื่อประโยชน์สามประการคือประโยชน์ปัจจุบันอันเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะ ประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นในธรรมะคือข้อที่เห็นได้อันหมายถึงว่าเห็นได้ในปัจจุบัน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 ที่ตัดกิเลสในกองทุกข์ได้บางส่วนจนถึงเส้นเชิงพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคืีหัดผูอยู่ครองเรือนอันเรียกว่าคารวะ ให้ปฏิบัติในประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าทรงสั่งสอนบรรพชิตคือภูบวชในพุทธศาสนา ตลอดจนถึงคารวาเครือหัสภูมิมุ่งประโยชน์ที่สูงขึ้นไปให้ปฏิบัติในธรรมะอันเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพาน อันเรียกว่าปรมาตัประโยชน์นั้นสำหรับในการปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพานหรือกล่าวอย่างง่ายๆว่าเพื่อละกิเลสและกองทุกนั้นกล่าวโดยย่อ ก็คือปฏิบัติในไตรสิขาอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อกล่าวโดยจำแนกองไปอีกก็ได้แก่มรรคมีองค์แปด มักมีองค์แปดนี้สรุปเข้าก็เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นมันไปคิดคือภูบุในพระพุทธศาสนา้ามความมุ่งหมาย ตั้งแต่ต้นมาก็มุ่งบวดเพื่อปฏิบัติละกิเลสละกองทุกข์อันเป็นป p มัต m ประโยชน์ดังกล่าวมานั้นอันหนึง่งแม้ว่าในเวลาต่อมาถึงปัจจุบันจะมีการบวช ระยะเวลาอันสั้นเพื่อเข้ามาศึกษาปฏิบัติประธรรมวินัยที่พิกษุขจะพึงศึกษาปฏิบัติอันเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อละกิเลสและกองทุกข์ก็คงปฏิบัติอยู่ในหลักแห่งศีลสมาธิปัญญานั่นเองถึงว่าคริขัดคารวาตผู้ที่ต้องการ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 แบ่งแยกออกเป็นข้อๆให้น้อยเข้าพอเหมาะพอควรแก่ความเป็นครือหัดคารวะเห่นว่าศีลของภิกษุมีจำนวน ที่กำหนดกันไว้สำหรับแสดงที่มาในพระปาฏิโมกข์สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อคือจำแนกออกเป็นข้อข้ อ, ขอเป็นรายละเอียดก็เป็นสองรอยี่สิบเจ็ดข้อแต่สำหรับครือหันธ์ครวัต ก็เป็นศีลห้าศีลแปดจำแนกออกเป็นห้าขอแปดข้ อ, ขอดังนี้เป็นต้นซึ่งก็รวมเข้าในคำว่าศีลนั่นเองเพระาะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นครือหันไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิต ก็คงปฏิบัติอยู่ในศีลแม้สมาธิในปัญญาก็เช่นเดียวกันก็คงปฏิบัติอยู่ในสมาธิแต่ในปัญญาเพื่อให้บรรลุถึงสันติคือความสงบกายสงบวาจาสงบใจ และโดยตรงก็คือสงบใจอันเป็นหลักสำคัญจึงมาปฏิบัติทมกิตภาวนาทั้งในขั้นสมาธิและในขั้นปัญญาอยู่ด้วยกันดังที่มาปฏิบัติกันอยู่นี่ ก็มุ่งที่จะทำให้จิตใจมันลุถึงความสงบก็คือสงบจากกิเลสอันเป็นส่วนเหตุสงบจากความทุกข์อันเป็นส่วนผลที่เกิดจาก เหตุคือสงบกิเลสสันติคือความสงบดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาและก็มีความหมายที่รวมได้ ถึงคำที่ว่ามรรคผลนิพพานหรือว่าผนกิเลสผลทุกข์ละกิเลสละทุกข์คำเหล่านี้ก็รวมอยู่ได้ในคำว่าสันติ เพราะฉะนั้นจึงได้มีพุทธศาสนาุภาจิตที่แสดงไว้ว่าความบริสุทธิ์จากอิเลสเครื่องเศร้ามองใจทั้งหลายเป็นความดับ จากทุ์ทั้งปวงนั่นคือสันติของใจซึ่งเรียกวั น, นิพานเพราะฉะนั่นตามพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่แปลมานี้ ที่เรียกว่า น, นิพพานนั้นก็คือสันติของใจหรือความสงบของใจความสงบของใจนั้นก็ได้แก่ความดับ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 การปฏิบัติเพื่อวิสุทธิคือความบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้มองใจทั้งหมดจึงเป็นไปเพื่อนความดับจากทุกข์ทั้งสิน้นนี่แหละคือสันติของใจความสงบของใจ วันนี้ผ่านฉะนั้นผู้ปฏิบัตธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคือฤหัสไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตเช่นมาปฏิบัติทำกิตภาวนากันอยู่นี่จึงเป็นการปฏิบัติ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 ได้มีพระพุทธภาสิตที่แสดงไว้ถึงสันทิฏฐิกานิพพานคือนิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบันหรือทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานที่เห็นได้ปัจจุบันในปัจจุบันอัน หมายถึงสันติของใจแม้ที่ทุกๆคนผู้ปฏิบัติธรรมะได้บรรลุถึงกันอยู่แม้ว่าจะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเช่นได้บรรลุถึงอยู่ในขณะที่ปฏิบัติธรรมะ เในขณะที่ปฏิบัติทำกิจภาวนาใจบริสุทธิ์จากกิเลสกองโลภโกรดหลงทั้งหลายไม่มีทุกข์อยู่ในใจในขณะที่จิตบริสุทธิ์นี้ใจจึงสงบ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 ธรรมะจึงเป็นสันดิธิโกที่เห็นได้เองในพุทธศาสนาเห็นได้ในปัจจุบันและแม้ว่าจะเป็นทุกครั้งทุกคราก็ไม่เป็นอะไรเพราะทีแรกก็ต้องทุกครั้งทุกคราไปก่อนและเมื่อทําบ่อยๆทํามากกเข้า ได้บ่อยๆได้มากมาๆเขาก็จะยืดยาวยิ่งขึ้นจะมากยิ่งขึ้นจนถึงบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มรอบในที่สุดดังที่กล่ามาแล้วอันหนึ่งในการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนา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 สันติของใจเกิดขึ้นมาได้ยากไม่ค่อยจะได้ข้อแรกก็คือขันธ์มารมันคือขันได้แก่ขันท้าย่อเข้ามาก็เป็นนามรูปคือกายใจนี่เอง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 ไม่เต็มที่ต้องคาดตก บ, บุกร่องก็เพราะกายและใจอันนี้นี่เองเมื่อเป็นดังนี้ขันคือกายใจอันนี้ก็เป็นมานอกการที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา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 มีความยึดถือขันหรือกายใจอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเราฉะนั้นจึงเรียกโุ ป, ปาตา น, นขันขันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราเมื่อมีความยึดถือดังนี้นอกจาก ไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมวินัยหรือศีลสมาธิปัญญาได้ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วยังไม่สามารถที่จะได้ศรัทธาความเชื่อได้ปัญญาความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า ขันทั้งหลายคือกายใจนี้เป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นทุกขะเป็นทุกทนอยู่ไม่ได้ตรงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่สามารถที่จะเชื่อไม่สามารถที่จะรู้รับในสัจธรรม ที่พระพุทธเจ้าสรงสั่งสอนได้เพราะว่าขัดต่อความยึดถือของตนที่ยึดว่าเป็นตัวเราของเรารั้นมาสดับว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็ทําให้ไม่เกิดความเชื่อไม่เกิดปัญญาที่รับรู้เพราะฉะนั้นขันเป็นที่ยึดถือนี่เอง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 เรื่องสมองของใจนี้ก็ตั้งตนแต่อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงแล้วก็สืบมาเป็นตันหาความริ้นรนทยันอยากเป็นอิวาทายความยึดถือและเมื่อแสดงออกไปโดยอาการต่างๆก็เป็นราคะความติดใจยินดีหรือโลภ ค, ความโลภอยากได้ โสาความโกรธแค้นขันเคืองโมหะความหลงเป็นต้นก็เป็นกิเลสทางนั้นกิเลสเหล่านี้เองเป็นตัวหมานที่เป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้การปฏิบัติประธรรมวินยัยหรือศีลสมาธิปัญญาเพื่อความบริสุทธิ์จากกิเลสเพื่อความทุกข์นั้นเป็นไปได้และ กิเลสนี้เองที่มารังควานอยู่ในจิตใจของบุคคลได้ก็เพราะจิตใจของบุคคลนี้เองรับกิเลสเข้ามาปรงแต่งจิตใจให้คิดไปเจตนาจงใจไป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 คึอสงอกิเลสอารมณ์ในใจได้นั่นแหละจึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้เพราะฉะนั้นความสําคัญจึงมาอยู่ที่ว่าใจนี้เองรับเอากิเลสเข้ามาปรุงรับเอาอารมณ์เข้ามาปรุงเพราะฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าอภิสังขาระมาตที่บังเกิดอยู่ขึ้นอยู่ในจิตใจของบุคคลและ ในการที่เป็นไปดังนี้จึงทำให้บุคคลต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่สิ้นสุดไม่สามารถจะพ้นจากเวียนความเวียนว่ายตายเกิดได้ และแม้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ทุกคนนั่นก็มักจะไม่นึกถึงเกิดแต่ว่ามักจะนึกถึงก็คือตายและมันนึกถึงขึ้นมาแล้วก็กลัวตายเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นบรรณภัย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 และความตายนั่นอันที่จริงก็เป็นเครื่องทำลายชีวิตจริงๆเป็นเครื่องทำลายที่มองเห็นกันอยู่บุคคลที่ควรจะบรรลุ ป, ประโยชน์อะไรได้ต่อไปอีกแต่ต้องตายเสียก่อนก็เป็นอันว่าขาดประโยชน์ที่จะบรรลุได้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าจะตรัสสอนปฐมเทศนา แกท่านอาจารย์ทั้งสองคือท่านอาลาณดาบทและท่านอุทธกัณดบดวอาเป็นผู้ที่สมควรได้รับปฐมเทศนาได้ถ้าสเสด็จไปโปรดท่านก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าก็สงสาบว่าท่านทั้งสองนั้น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 พระองค์จึงไม่ใช่เป็นผู้ตายสิ่งที่ตายนั้นเป็นขันไม่ใช่เป็นพระพุท ธ, ธเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นมารของพระองค์แต่ว่ายังเป็นมารของบุคคลทั่วไปที่ยังมีความยึดถืออยู่และนอกจากมีความยึดถืออยู่และยังมีความกลัวตายดังที่กล่าวมาแล้ว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 ก็เป็นอมอนเรเนื้ออมระคือเป็นผููที่ไม่ตายก็คงอยู่เป็นนิรันดรเพราะฉะนั้นจึงมุ่งที่จะไปเกิดเป็นเทพที่เป็นอมโรคคือเป็นผููที่ไม่ตายดังที่กล่าววันนี้กันอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นความที่มุ่งไปเกิดเป็นเทพ แม้ที่กล่าวมานี่ก็เป็นมาอีกเหมือนกันกือเป็นเครื่องขัดขวางต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัยเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกเพราะเหตุว่าความสิ้นกิเลสและกองทุกในพุทธศาสนานั้นต้องการที่จะต้องดับชาติคือความเกิดเมื่อดับชาติได้ก็ดับชรามรณะและทุกต่างๆได้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 คือมีเคลื่อนจากความเป็นเทพและก็ไปเกิดตามกรรมสูงบ้างต่ำบ้างที่จะดารงอยู่เป็นนิรันดรนไม่มีพระพุทธเจ้าลัสรู้หลังนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ประสงค์ความเป็นเทพแม้ท่านลาบทัท้งสองนั้นท่านก็ปฏิบัติ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 ต่อจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันคนเป็นอันมากตัวยังมีความยึดถืออยู่เช่นเดียวกันว่าตรงการจะไปเกิดเป็นเทพหรือไปอยู่กับเทพที่เป็นอมรคือเป็นผูที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องตัดทางสำหรับที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุความสิ้นทุกข์ทั้งปวงตามหลักพระพุทธศาสนา ฉะนั้นจึงได้ตรัสมานข้อที่ห้าคือเทพบุตรมารมานคือเทพประบรุขึ้นอีกโดยความก็คือความที่ยังมีความมุ่งหมายที่จะได้สวรรค์สมบัติหรือหากจะกล่าวรวมก็มุ่งหมายที่จะได้มนุษย์สิสมบัติ หรือว่าสูงขึ้นไปกว่าสวรรค์สมบัติแต่ยังไม่ตรงการนิพพานสมบัติเป็นที่ดับชาติภพทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นความต้องการเพียงเท่านี้จึงกลายเป็นมารทำให้บรรลุนิพพานสมบัติไม่ได้ฉะนั้นมารตามที่กล่าวมานี้จึงเป็นเครื่อง ทำให้เกิดเป็นเจโตเคละคือตะปูใจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ก็คือข้อหนึ่งยังมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลืมใสในพระศาสดาสองในพระธรรมสามในพระสงฆ์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 เป็นเจโตวินิพันธะหรือเพื่อผูกพันใจในแก่การที่ยังมากอยู่ด้วยราคะความติดใจยินดีทันทัข้อหนึ่งขออง้อ2ในกายของตนขอ้อ3ในรูปที่เป็นภายนอกทั้งหลายและข้อสพอใจในการที่เอาแต่ บริภอกและติดตุกอยู่ในการนอนในการเอนพักในการงีบหลับพูดง่ายๆก็คือว่าเอาได้กินและนอนอันเป็นข้อที่สี่กับอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่ห้าก็คือว่าประพฤติพรหมจรรย์ ทันได้แก่ปฏิบัติในตรายกิขาหรือว่าทำเอาไปในนี้โดยปรารถนาเป็นเทพคือตั้งความปรารถนาว่าขอให้เราไปเกิดเป็นเทพชั้นนั้นๆหรือว่าเทพชั้นใดชั้นหนึ่งโดยอำนาจของศีลของวัด ของตบะคือความเพียรของพรมจันย์ที่ปฏิบัตินี้ดังนี้เป็นข้อที่ห้าตับปูใจห้าข้อและเรื่องภูพันใจห้าข้อนี้เป็นเครื่องขัดขวางต่อการที่ปัจจ บ, บันบัิทำกิจให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายดับจากทุกข์ทั้งปวงให้บรรุถึง สันติของใจที่เรียกว น, นิพันธ์นังกล่าวนั้น เ, นนเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องละเสียและก็ต้องปฏิบัติอิธิบายคือธรรมะที่ให้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติประกอบความเพียรโดยต้องอาศัยสมาธิความตั้งใจมั่นจริงๆโดยมีชันทะความพอใจ มีวิิยะความเพียรมีกิตตะเอาใจใส่มีวิบังสาความเคร่ครวญพิจารณาในข้อวัตกปฏิบัตินั้นโดยที่มีความพยายามอุตสาหะกันอย่างจริงจังในการที่จะละตะปูใจถอนตะปูใจออกเส้อให้ได้ทั้งห้าข้อที่จะเปื่องเครื่องผูกพันใจ ให้ได้ทั้งห้าข้อจะเริ่มอธิบาทให้เต็มที่และเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะสามารถละมานทั้งห้านั้นได้สามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลส ท, ทั้งหลายได้ดับทุกข์ทั้งปวงได้บรรลุถึงสันติของใจได้อันเรียกวันนิพพาน ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป